สวัสดีครับพอม่พี่น้องการพูดภษาสนิกชนทั้งหลายจะอ่านทำเพื่อฟังเรื่องต่างลัตไปนิพพานคือมรรคแปดประการนั่นเองก็พระธรรมเทศนาพุทนีเขียนโดยท่านอินสมชัยสุภูป ร, รียธรรมภักธรรมเอกก็อยากจะไปนิพพานมันจะต้องไปแบบไหนก็ขอเชิญพอม่พี่น้องฟังนะครับ นัโมตสัพาะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมคานะตังกิโกเสถสัจจานังจารุโรปทาส เอเสวะมะโคนัตถันโยตัสนาตตาวิสุตติญาติสาธโวุลลาสปุลิตาตั้งหลายตั้งยิ่งใจน้อยใหญ่มีพร้อมไกวหนานำต่างคนนำเขาต่อ ตั้งดวงดอกบุปามาทุกทีญาเ ท, ท, ทียนใจมาน่อมไหวปูจ่ายยังรัตา น, นาสามจิงคือแก้วคุ้นหิ่งเชียงชิน <c oughs> สมาทานจิงท่าแปดฮักสากคแครกับตนเพื่อเป็นกุศลใหญ่กว้างได้ห่างป่าปธรรม แล้วฟังทำต่อแดงเปื่อกเอแงตั้งเตียวอันจะเร็วไปหลอดเวียงแก้วหยอดเนละพานดับให้มาเสียงขาดบ่ไม่บาดเครื่องกามัดนี่นาจักกล่าวถึงตานเต่าถึงด่านดาวตั้งไปสู่เวียงใจเลิอดแล้ว คือเวียงแก้วนีลาปานอันปาชินนามานที่ไวเตสนาไวเทสนาไวเป็นกาตาวามะานัตตังกิโกมะโกดังนี้เป็นเกา เล้วลามแปลงใจงามจื่นจ้อยตัยตามด้อยกำปั้มัดมีแด่เธอสาตานว่าสัพญญูปาพุตตะเจ้าตนเป็นปิ่นเก่าติโลกาในเทศนาบอกไว้ แก่คนโลกใจยิ่งใจเงือกหมยกว่าทูกว่าต่างไปตู่เนระปานมักกะหาป ก, กานมักกะแปดปกากันด่นใจกันปาธิบัดไควบัวละมวลสมเพื่องกวนจบจอดยิ่งจักหลอดเนรป า, าน คือมาก่าแปดปการนั้นเล่าจริงจักไขรคอเก้าดำ ม, มีคือสัมมาทิฏฐิปัญามีแจ้งทีหันอาริยสัตย์ปักการพ้นทุกมอง่านหลายแหล่อันเกิดแก่ตัวตนละแก่คนมวนหมูผู้ข้างอยู่โลกา หันตันหาเกล็ดเป็นเก้าเหตุปามิหืรเครื่องขีตทุกโดดหันนิโรธกุ้นำตันหางั้มืดบอดมุดเตียงขอสันดานหันทังเกียงการเต้วตองเข้าสู่ห้องเนื้อราปานหันอริญะสัดย์ภักการนิใจ พระกาไว้สัมมาทิฏฐิและนะสัมมาสังกัปปะนิ่งนในไข่ปลากนีพ้นจากกรรมคุณอันเป็นตัวนุ่นหือใดห่อนเอาไมเครื่องกากิตตาน้าผงขาดปออาขาหดรดือเวนมีใจเย็นขวาดหู ต้นอยู่ตามธรรมบาปใหกระทำบาปหายบาบยอมตายไปลุ่นไผกระทำบุญมากน้อยบุญยอมหอยต้วไปค่ะนิ่งในคำเจ้าบอกกึดเหล่าเบียนวีบอลาวีคำคา มอติดาเคขายังสัตน า, นาน้อยใหญ่หรือคนโลกใดยญิงใจเมตตาลายภายแผ่ไปจูงแงติศากิตตานาดังนี้พระกาวกีวาสัมมาสังคปรแลนนาสัมมาวาจ่าขอทักมานันเรา นักป่าเจ้าสอนไขว่าจักจากรมใดออกปากบอเว้นว่าจากเสียทใไขแต่กรรมันแก่นสัจจาเหม็นตามีบอกไขว่าที่เป็นกรมถอยมุสาบอกไขว่าจะกสุนสอนำรมต่อไปมาคือวงสาพปีนอง เรือเปนป้องพิษเตียงกันบ่อไข่ปั่นกําหยาบอับอันบ่อสุภาพตามทําบ่อไข่กําต่อถอยอันจะถอยหาดีบ่อไข่ว่าตีหยาบจะหรือแจงด่าคนใดบ่จะไข่วาเล่น อันบอกเขาเส้นกองนี้เป็นวาต่ศูนเป่าอูลเล่นเหล่าได้ได้พระโยดลายน้อยใหญ่บอกเกิดได้มีมา <c oughs> การเจียนจาก่าวอือคนหูกองนี้พระมูนีข่าวจีว่าแมนตีสัมมาวาจาแลนอา สำมมาคัมมันโตนันใจะข้าว้เป็นไมายว่า่าคาสัดลายลุมฟ้ายาขาสัดลายลุมฟ้าหือใ์ดความนาเมื่อมอนสัดดงดอนเตือนรำสัดอยู่น้ำผู้ป่าตั้งหมูมาเป็ดไก่ สัตว์ตัวไตตัวปินตัวปินอย่าคากินเลี้ยงใจตั้งสัตว์ใจใจมีกุณอันกำนุนตัวเก่าจ้างมาเล่าวัวควายตั้งคนยิงใจน้อยใหญ่จุงเว้นไว้เสียไก่จะมีใจหยาบจ้าหรือกูดกาแตงฟวันเือเข่ามันน้อยใหญ่ ได้การก่อยโมระนามันอดสาจะใจญาการน้อยใหญ่ตามธรรมบ่ใจดำหลักยงเรือเตียวตองพกป๋องเอาเข้าของเครื่องใจเดือเงินบาทใจคนใดถือมีใจจืนสู้ อยู่กับกูเตรียมตนบ่อเมาบนโลกมากเล่นจู้จ่กเสียกันคนสามันโลกใดการปฏิบัติใดตามกรรมพระองค์คํากล่าวที่ว่าเม็นตีสัมากือ สัมมากัมมันโตและนะสัมมาอาชิโมนั้นสดพระพุทธเจ้าโพธิสนาวา่มามนุษสาโลกใ้อาเลียงใจอินทร์ด้วยทั้งนี้ผาเสดเพื่อเกิด พาละผลเลี้ยงยังตนตัวเราดังลูกเต้าเมียแปงอย่าใจแข็งฮึกหยากาดำบาปหน้านาเพื่อดำมาเลี้ยงใจจักเดือดไม่เครื่องกี่ย้ำดับอินทีกลาผลาศายละจากเมืองคน บาปจักยนตจองกองไปสู่หอ้องอบายและนาบอ่มีหมยได้หลอดเบียงแก้วยอดเนี้ลาปานราชินนาบานตีไวตเตะะนาไวเป็นไมายว่ัดทั้งหายมวนหมู ข้างอยู่สงสารย้อนอาหารแต่ใจกินอยู่ใดเบิ่นานกันอาหารเสียงขาดยอมก้อยกาดโมละนาการจะแวงหาเลี้ยงตองเพื่อแม่นจองกองกรรมเกือกาะตำน่าไรตามย่าใด ตามยาใดมีแห้งหรือสะแหว่งหับจางตามตันอ้างปันหมาคการก้าขายหลายอย่างการก้าขายไล่หลองอันถูกจองกองทัพดังพระองค์คำตีไว้เตสะนาไวเป็นตาวาจักเป็นวานิชชาป่อกา ขายเครื่องอามรังการจังโภชนอาหารเข้าน้ำของอื่นพัมตามมีได้หนีลีเวน้นก้าเข้าเส้นอาบายคืออย่าขายเครื่องค้ามีพร้อมนา ด, าดาดาคือปืนยาหอกดาบนาไม่อาบยาจำตั้งยิบจำและสุ่ม แนงแนวตุมเบ็ดไจอันเป็ น, ใ น, ในปัจจัยเครื่องใจเฮือคนและเฮือคนสักไตว่าวายว่ายาอย่าขายจริงใจน้อยใหญ่เฮือตันได้เคข้าอย่าขายทัดนานาตวนนา เพื่อเฮตันข้าเป็นอาหารตั้งทุลาบ้านลำเลางวนพิดเหล่าลายอันอย่านำมันมากาจะเป็นเมฆฟ้าป่ามัวเฮตนตัวเป็นโตรลอนลายโหดเครื่องขี่งานการดีต่างๆอันป่อหางเตียทำแม่นกะตำมจะใจ นำมาเลี้ยงใจตัวตนราตศพลเก่าจีว่าเมนี่สัมมาชีโบและนาสัมมาวายาโมนั้นเราพระเป็นเจ้าเตสาดาือศรัทธาน้อยใหญ่มีพร้อมไปสี่ะการมีสังวนพระทานเป็นเก่า เปียนบ่เหอบาบเศร้านาใดมีมาเกิดตองในแห่งห้องสันดานเป็นป่าทานป่าทานาป่าทานบาปสามารถจะถอยอันเกิดจงห้อยเดิมออนเือเทียมเปลี่ยนตอนจวยลาง ได้นีห่างเสียตนภาวนาประานมันส้างกูสนจะใจเอมีพร้อมไหวนานาอานุอนุลักขะประทานอานุลักขานาประธานือฮักษาบุญไวย้ยาเฮได้สูญหายกันหญิงใจน้อยใหญ่ บ่ละไว้ทั้งนี้มีเพียนที่ดังอีพะกเ่าจีวาสัมมาวายาโมเลนาสัมมาตาทีนันใจพระกาวไว้สอนตนว่าเฮ่อพิจารณาตนใจใจเฮ่อหูไฟตามีว่ากาญะอินทร์นิใจ มันบ่อใจของเขาบ่อใจของเขาสักกากตามปัดใจหากป้าไปบ่อใจของภัยสักผู้เกิดแล้วตั้งอยู่แผ่พันครับจำมันบ่อใดหูเมื่อยไครชาลาหูบ่อลาดากระปากชีวิตขาดพรากนิหาย ส่วนลูป้ากายนั้นเล่าหูเปืยเนาเทปังหูเปืยเนาเตพิงแนนาแถมป้ากานึ่งใส่หูใบเวทาดาคือการคือยำสุขขาจืนจ่อย ยามุกตามก็อห่มาปานหรือบอดเจอย้านจืนสู่ตกบ่อลิ่งลู่รวยมาเรียกว่าเวทนาเสียงไว่จักนับได้สามประการยามอารมณ์ปานมาตรองในแห่งห้องอินจีเขายินดีไหลแล ตานเก่าแก่ว่าทุกกาวเวทน า, ากันอารมณ์นาปาตองเป็นทุกนองเหลือใจตานมีใครกก่าจีว่าแมนตีทุกกาวเวทนายาามอารมณ์ ม, มาถูกต้องในแห่งห้องอินที่ยาบดยินดียินลาย เต่าอยู่จากวายได้ได้ไดตานจี้หมายบอกไว้คือหากใดอาทุกขะมะสุขาเวทนาแลนาคือเมฟาญาภายสันติถูกตรีตามลายว่าเวทนาตั้งหลายนั่นใจมันบ่อใจของเขาบ่อใจของเขาสักผู เกิดแล้วตั้งอยู่ดับไปอย่าหฮือใจลิ่งลูเือกวาดหูตามํำและนาแแฮมปาการหนึ่งใจหฮือหูไว่ใจเฮาวานลงบัวเมาขึ้น่องไปสู่ห้องแดนใดกึดตั้งไก่แลไกล่ คือการถอยไอ่ตาลน้นคือคือดกุศลใหญ่น้อยใจจืน จ, อจ้อยเจยบบานหรืออมองผ่านบนเ้าคือพิ จ, จะะารณาเหล่าจูค น, ขน พิจ า, ารณาเหล่ายามวันขวานผูหันเสียงไกว่บ่เว้นไว้ยามใดสติตยไปจุดีพระก่าวจีว่าจิตตาโนปัสสนะและดาแต่ประการหรึ่งโสภะเป็นเจ้าโพดส่วนใครว่าทำอันใดนั่นเรา เป็นบาปเ้าตาลนเลือเป็นกุศลผาเสิดอันมาบังเกิดในใจเอาสติตัวไปอย่าขาดอยา่าประมาทลาสาปิดกาลานานสั่งทรงเแมนจองตามรมพระ อ, องค์คำกล่าวจีว่าแมนทีทร ม, มนุพัส น, นาแลนา สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิทวนแปดมาพุทธเจ้าแวดเป็นไม้เอยหญิงชายน้อยใหญ่ได้เตี้ยวไต่ปาฏิบัตรามยังกรรมาฐานงามวิเศษเื้อกิเลสดับหายสมาทะตไม่เป็นเก้า วิปัสนาเราเป็นสองง้นเป็นกองผาเสดมีคุณเลิดเกี่ยงการเปืืองเกิดงานตั้งตีอันภาเก่ากีจะใครว่ากันคนใดแหลกว่ากันคนใดแหล่ใดย่อมเข้าไกลเนลาปานอัปปามาทะฌานเป็นเก่า มีปฐมาชาติเป็นเก้าจาตุตาชาติอันเป็นกลางและเป็นปลายมีมัดละลายพอมพมเลิกแอบล่ำเหลือใจมีอัตละลายพอมพอมเลกแอบล่ำเหลือใจแม่นจักไครเกาวจี้กอบ่บแจ้งที่สัด จ, จังตั้งคนฟัง ตั้งคนฟังและคนรู้ก่อบาบอหาดลูปหาดลูกหันใจส่วนคนได้นุ่มเท่าสมป้านเก่าโดยมามันเผาวานาเจใจจริงจักไดยังจานตามอาจารย์เก่าจี บ่มีตีสงสัยจำเลินไปจ้าใจจ่าเฮิรไดสูญหายพระบุญภายก่าแวแก่ควาหากแม่นแต่สัมมาสะ ม, มาธิและดั่งขิโกมค้องันว่ามักกะแปดปักการบุญใหญ่ดังก่าวไว้เดิมที มีสัมมาทิฏฐิเป็นเก้าสัมมาส ม, มาธิเราเป็นปายพระบุญภายตีไว้ตั้งตอนไว้เป็นกาว่าเป็นมกกะอันราเสดเป็นตั้งเลิดเจียงการมักกะแปดปักการเต่าอันเป็นตั้งดวนจันตังเลียว จากตานเตีวตยวไต่เตียวไปหลอดเบียงแก้วหยอดเนลาปานตั้งอื่นนานกดกงมันเป็นลมตั้งอื่นนานกดกงเป็นลมมองและหลุมป้าเสียซุ้มฝังเป่านานได้เขา้าเนลลาปานและนา ตาสมัเหตุนั้นใจคนน้อยใหญ่ยิงใจผู้ยังหมยไข่หลอดเวียงแก้วยอดเนละาปานมักก็มีองค์แปดมักการนี่เราเป็นต้างไต่เตาป้าไปจุงเร็วใบเตี้ยวไต่เอาใจใส่ปาตีมัดกามจักสมความไปหอย โอกาดก้อยไก่กาแลลนานิดีตังขี่ยะตังวันนาวิเศตขี่าะตังวันนานากดแควดยังมักกะแปดปากการอันเป็นญาณวิเศตปาพ่นเขตโลกีเป็นตังดีลัดลง เข้าสู่ลงเนลปานก็บังคมจมเล็ดเสร็จแล้วเท่านี้ก่อนแล้วครับพระธรรมเดศนาเรื่องตั้งรับไปนิพพานกับปีนอกต้องการไปนิพพานก็ไปทางเดียวเนี่ยครับคือมัคกะแปดนะครับมีสัมมาอาชีวะสัมมาทิฏฐิเป็นต้น ก่ปฏิบัติเนี่ะครับเป็นทางลัดทางอื่นเน่มันเป็นลมเป็นปบ่มีย่องที่เขาจะไปได้เพราะจะอันพี่น้องตัางหลายที่ปฏิบัติทำนี่ก็เอามังกาแปดเนี่ยเป็นห่วร่างเข้าไปสู่พระนิพพานครับผมขอได้รับความขอบคุณจากดอกศกเดือตุลาสวัสดีครับ